ยีวาวันหนึ่งพระราชาสเสด็จประทับบนคอช้างก็ดำรีว่าช้างนี้เคยนะในที่สุดล้านก็มาขี่คอปูใช่ไหมขี่ช้างปูนะขี่ปู่ช้างอ่ะนะก็เลยขี่คอช้างเลยนะก็ช้างนี้เคยสเสวยราชสมบัติเป็นเวลา20ปีแล้วก็ตกนรกแล้วก็เกิดเป็นกําเนิดสัตว์เดรัจฉานด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือเมื่อไม่อดกลั้นซึ่งการกระทบกระทั่งในเพราะการอยู่รวมกันเป็นหมู่ จึงมาในที่นี้โอ้การอยู่เป็นพวกอยู่เป็นหมู่เป็นพวกเป็นทุกอว่างเงี้ยก็เห็นเลยว่าเบื่อหน่ายในการอยู่รวมพวกรวมพวกรวมพวกัมพกเนี่ยนะก็เลยว่าเห็นการอยู่เป็นพกักเป็นพวกนี่เป็นทุกการอยู่คนเดียวเท่านั้นเป็นสุขก็เลยปรารกิปัสนาในที่นั้นแหละกระทําให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยานอมา마ทั้งหลายก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชาประราชาพระองค์นั้นอะ ผู้เสวยสุขด้วยโลกุตระสุขบนขอช้างที่อมิมหารกราบทูลว่าได้เวลาเสด็จไปสู่พระ อ, อะสู่พยานแลว้วมหาราชองกตัว่าเราไม่ใช่พระราชาเสร็จแล้วก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดเปรียบเหมือนช้างใหญ่ที่เกิดในตระกูลปทุมมีขันเกิดดีแลว้วละโครงอยู่เที่ยวไปในป่าตามอภิรมฉนั้นนนะ เราให้เที่ยวไปแบบนั้นนะนะเหมือนกับคือคือเห็นโทษของสังขารน่ะออกจากสังขารน้อมไปหาธรรมเป็นที่ดับสังขารเนี่ยนะออกจากวัตะตน้อมไปสู่วิวัฏฏะออกจากสังฆะไปสู่อสังฆะนั่นเองอ น, นะเนื้อความก็ชัดเจนอยู่แล้วนะอธิบายว่า อธิบายเพิ่มนิดหน่อยบอกว่าช้างที่ชื่อวันนาเพราะอัตถาว่าไม่มาสู่พื้นที่ที่ไม่ได้ฝึกเพราะตนที่ฝึกแล้วในศีลทั้งหลายที่มนุษย์พอใจหรือความที่ตนมีร่างกายใหญ่ฉันใดคือช้างช้างก็คือช้างที่มีศีลช้างที่ฝึกเสร็จแล้วเรียกวันนาเน่ยนะแม้เราก็พึงเป็นนาเพราะไม่มาสู่พื้นที่ที่ยังไม่ได้ฝึกเพราะความที่ตนฝึกแล้ว ในศีลทั้งหลายที่พระอริยเจ้าพอใจเพราะไม่ทำบาปเพราะไม่กลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้อีกหรือเพราะความที่ตนมีสริระคือคุณธรรมใหญ่เชื่อในการไรหนอช้างนั้นละโคลงแล้วก็อยู่ในป่าตามอภิรมด้วยความสุขที่เที่ยวไปโดดเดี่ยวพึงเที่ยวไปตัวเดียวเหมือนหน่อแรกชันใด ชื่อในการไหนเนอแม้เราก็ฉันนั้นไปอยู่ในป่าตามอภิรม์ด้วยวิหารสุขโดยส่วนเดียวได้แก่ด้วยความสุขที่เกิดจากชานอยู่ในป่าโดยประการที่ตนจะมีความสุขเท่าที่ปรารถนาะแล้วก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอนแรกเพราะว่าผู้ที่อยู่ในป่าได้ฌานทั้งหลายก็เข้าฌานอย่างที่ตัวเองประสงค์จะมีความสุขในฌานอย่างเดียว3ชั่วโมงสิชั่วโมง20่ชั่วโมง2วันสาวันทําอย่างไรก็ได้ตามที่ ปราทานาสุขโดยส่วนเดียวฉะนั้นก็เที่ยวไปแทบผู้เดียวเที่ยวไปด้วยอารยมรักแต่เพียงผู้เดียวดุดนอแรดอีกในหนึ่งท่านบอกว่าช้างนั่นชื่อว่ามีขันเกิดแล้วเพราะมีขันที่ตั้งดีแล้วฉนันใดชื่อในการไหนหนอแม้เราก็พึงชื่อว่ามีขันเกิดดีแล้วเพราะความเป็นผู้ใหญ่ด้วยศีละขันอันเป็นอเศขะฉะนั้นช้างชื่อว่าปะทุมีเพราะมีร่างกายเช่นกับดอกปทุม หรือเพราะเกิดแล้วในตระกูลช้างปฐมฉันใดชื่อการไหนหนอเราก็พึงชื่อว่าปฐมเพราะความเป็นผู้มีกายตรงเหมือนดอกปฐมหรือเพราะเกิดแล้วในดอกปฐมคืออริยะชาติฉ น, นั้นอันหนึ่งช้างนั้นโอฬารด้วยเรี่ยวแรงกำลังและเชาวเป็นต้นเชื่อว่าในการไหนหนอเราก็พึงโอฬารด้วยคุณธรรม นะคุณธรรมมีความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ประพฤติทางใจที่บริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาอันเป็นเครื่องแทงตลอดแทงตลอดทุกข์ด้วยการกําหนดรู้แทงตลอดสมุทัยด้วยการละแทงตลอดนิโรธด้วยการทําให้แจ้งแทงตลอดอรยิยมรรคแล้วก็ควรเจริญปราบวิปัสสนาก็เลยบรรลุเป็นพระปัเจ ก, กับพระพุทธเจ้านะนะเห็นโทษเลยนะยเส้นทางของชีวิตเนี่ยนะนะ น่าพอใจไหมเหมือนกันนะในคาถาที่ยี่สิบได้ยินว่าพระราชบุตรของพระเจ้าพรารณสียังทรงพระเยาว์นะนะพระเยาว์นี่หมายคามว่ายังไม่มีครอบครัวนะยังหนุ่มอยู่เยาวมา์มามาจากคาว่าหนุม่มยังหนุ่มอยู่ พระองค์ก็มีพระประสงค์จักพนวดก็เลยปรึกษากับพระมารดาพระบิดาพระมารดาและพระบิดาก็ทรงห้ามพระองค์ห้ามลูกบวชนะพระราชบตรนั้นแม้ถูกห้ามอยู่ก็ทรงยืนยันว่ามอมชั้นจากบวชจากนั้นพระมารดาและพระบิดาก็ตรัดเรื่องทั้งหมดเหมือนเรื่องเศรษฐีบุตรที่กล่าวแล้วในก่อนในที่สุดก็เลยต้องอนุญาตเพราะอะไรนะทำไมจึงอนุญาต เพราะถ้าราหากว่าเราไม่ให้ลูกบวชลูกก็มีทุกข์ถ้าหากว่เราอนุญาตให้ลูกบวชเราก็มีทุกข์เพราะฉะนั้นทุกของเราจงเก็บไว้ให้ลูกมีสุขเธอก็เลยอนุญาตให้ลูกบวชแต่ก็ได้ปฏิญาว่าถ้าครั้นบวชแล้วก็พึงอยู่ในอุทยานเท่านั้นลูกบวชแล้วไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ในสวนเรานี่แหละอนุญาตให้บวชนะแต่ว่ า, าต้องบวชอยู่ในสวนพระองค์ก็ทําตามปฏิญญาฝ่ายพระมารดานี่มีหญิงฟ้อนสอง0 0ื่ แวดล้อมเสด็จไปในพระอุทยานให้พระราชบุตรดื่มยาคูเนี่ยนะโอ้ยบวชก็เหมือนไม่บวชละมั้งอ่ะนะล้อมหน้า ล, ล้อมหลังกันสองหมื่นคนไปเที่ยวขนาดนีให้ของขบของเคี้ยวเป็นต้นสนทนากับพระราชบุตรจนสมัยเที่ยงวันหมายว่าเช้ามาเนี่ยแม่ก็เอาอาหารพร้อมทั้งบริวารไปสองหมื่นะก็อยู่คุยกัะลูกจนถึงเที่ยง อพอถึงเที่ยงวันก็จัดพวกราชบุตรคอยปฏิบัติเสด็จกลับไปสู่พระนครส่วนพระบิดาก็เสด็จมาในเวลาเที่ยงวันให้ราชบุตรสเสวยเพลิเสร็จแล้วพวกก็เสวยสนธนากระบุตรตลอดวันจนเวลายินเสร็จแล้วก็จัดพวกบุุษคอยรักษาเสร็จแล้วก็เข้าพระนคร ไม่ต้องสังัดกันตลอดคืนตลอดวันอยู่อย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะหนักกว่าตอนไม่ได้บวชอีกแล้ไม่ได้บวชยังมีเวลาไปเที่ยวไปเล่นบ้างส่วนตัวนะนี่พอบวชเข้ามาแล้วนั่งรับแขกทั้งวันเลยนะแล้วเพศนักบวชมันต้องทํำยังไงก็นั่งเครึมอย่างเดียวอ่ะโอ้ยเตือยร้อนแท้ก็สมัยนั้นแหละพระปเจกับพุทธเจ้าชื่อว่าอาทิตย์จะพันธ์แปลว่าเผาพันธุแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยนะกระสุกลุ่มสุริยะโคตรแบบนั้น พระพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่ที่เงื้อมภูเขานันทมูลกะระลึกถึงะนะระลึกถึงอยู่ก็เห็นพระราชบุตรนั้นว่าราชภุมานี้ทรงอาจเพื่อจะผนวดแต่ไม่อาจเพื่อจะตัดความเกี่ยวข้องได้เพราะอะไรเพราะยังเกรงใจพระราชากับะนะเกรงใจพ่อแม่อยู่นะต่อแต่นั้นก็นึกว่าพระกุมานี้จกเบื่อนายด้วยธรรมดาของตนหรือไม่ลําดับนั้นก็รู้ว่าเบื่อนาย ด้วยธรรมดาแต่จะมีช้านานอย่างยิ่งแปลว่าจะาบรรลุด้วยลําพังแบบตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วในที่สุดบรรลุได้ไหมบอกได้แต่ว่ามันนานเกินไปนะต้องปล่อยใช้เวลาแบบนี้ถ้ายังคลุกคลีอยู่อย่างนี้อินทรีย์ก็ไม่แก่กล่าสักทีหนึ่งใช่ไหมคิดว่ามันช้าเหลือเกินที่จะจบก็เลยคิดว่าเราจะแสดงอารมณ์แก่พระกุมาร น, นั้นก็มาจากพื้นมโนศิลาก็เหาะมา มาถึงพระราชอุทยานราชบุรุษเห็นแล้วก็กราบทูลพระราชาว่าพระปเจกับพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะพระราชาก็มีพระทัยยินดีแล้วว่าบัดนี้บุตรของเราไม่กระสันแล้วจักอยู่พร้อมด้วยพระปเจกกับพุทธเจ้านะพระองค์ก็ทรงบำรงพระปเจกกับพุทธเจ้าโดยเคารพคือพระราชาก็คิดว่านะลูกของเราบวชเนี่ยไม่เหงาแล้วมีเพื่อนแล้วเพราะมีพระปเจกมาอยู่ด้วยอย่างนี้ก็คลายเหงาแล้ว่ะก็เลยขอร้องให้พระปเจกอยู่ในพระราชอุทยาน พระองค์ก็ให้ทําสิ่งทั้งปวงมีบรรณาศาลาที่พักกลางวันที่จงกรมนิมนต์ให้พระประเจกพระพุทธเจ้าอยู่พระประเจกกับพุทธเจ้านั้นก็อยู่ในพระราชอุทยานวันหนึ่งได้โอกาสแล้วก็ทูลถามพระกุมารว่าพระองค์นี่เป็นอะไรถามจริงๆเหอะเนี่ยแต่งตัวแบบเนี่ยท่านเป็นอะไรกันแน่อุ้ยเราเป็นบนรรพชิตเฮ้ยบรรพชิตเข้าไม่เป็นกันอย่างนี้หรอก พระกุมารก็ทูลว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบันประชิตเป็นเช่นไรอะไรไม่สมควรแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําไม่ดีตรงไหนดูสิเครื่องแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องโกนผมก็เหมือนนักบวชทุกอย่างท่านไม่ว่าเราเป็นนักบวชได้ยังไงท้าพระเจ้ ก, ก็เลยบอกว่าพระองค์ไม่เพ่งดูสิ่งพระองค์เนี่ยไม่เพ่งดูสิ่งที่ไม่สมควรแก่พระองค์ใช่ไหมไอเรื่องที่ควรดูก็ไม่ดูไปดูแต่สิ่งที่ไม่ควรดู ยกตัวอย่างนะบอกว่าพระมารดาของพระองค์เสด็จมาในเวลาเช้าพร้อมกับสตรี2องหมนางทําให้อุทยานเนี่ยไม่เงียบนะก็ถึงเที่ยงพระบิดาก็มาในตอนเที่ยงตอนเย็นก็พร้อมกับพลนิการก็กลับไปบุรุษทางกลางคืนก็มีบุรุษที่คอยปรนิบัติตลอดคืนอีกเนี่ยนะมีลูกน้องเปลี่ยนผับเตียนเวนอยู่นั่นอนะ่ะทั้งคืนทํารานอุทยานไม่สงับมิใช่หรือธรรมดาบรนประชิดทั้งหลายเขาไม่เช่นกับพระองค์อย่างนี้หรอก แต่เป็นเช่นนี้แล้วก็แสดงวิหารแห่งหนึ่งในหิมาวันตัประเทศด้วยฤทธิ์เปิดให้ดูด้วยฤทธิ์เลยแก่พระกุมารที่ประทับยืนอยู่ณที่นั้นพระกุมารเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายในวิหารในป่าหิมาวันเนี่ยนะยืนห้อยแขนกําลังเดินจงกรมบางองค์ยืนจเจริญกรรมฐานบางองค์กําลังเดินจงกรมบางองค์ก็กําลังย้อมกําลังเย็บเสร็จแล้วพระประเจ ก, ก็บอกว่าท่านทั้งหลายอย่ามาในที่นี้ บรรพชาท่านทั้งหลายก็อนุญาตแล้วพระอาทิตย์พันธุ ป, ปัจเจกนั้นก็ทูลว่าถูกแล้วก า, การบรรรพชาพระพราชาก็อนุญาตแล้วชื่อว่าสมณะทั้งหลายจำเดิมแต่การที่ตนบวชแล้วย่อมได้เพื่อการสลัดออกจากทุกเพื่อตนและเพื่อไปสู่ประเทศที่ตนต้องการและปรารถนามีเหตุเหตุมีประมาณเท่านี้ย่อมสมควร คือไอการบวชเนี่ยนะสาระของการออกบวชคืออะไรเพื่อจะนำตนออกจากวตาเพื่อจะนำตนออกจากสังสารทุกข์เมื่อบวชแล้วเนี่ยนะตัวเองอยากจะไปไหนก็ต้องทำได้อย่างที่ตัวเองต้องการสิทำได้อย่างที่ปรารถนาสิเสร็จแล้วก็กล่าวว่าอัฏฐานตังสังคณิการตัสยังผุดเสยศเศสามยิกังมิมุติงการที่บุคคลผู้ยินดีแล้วด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ จะเพ่งบรรลุวิมุตต์อันมีในสมัยนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อย่างนี้แล้วก็พระองค์เมื่อโอกาสปรากฏก็เหาะไปยังภูเขานั้นนันทามูลกะเมื่อพระปจเจกพระพุทธเจ้าไปแล้วอย่างนี้พระกุมาร น, นั้นก็เสด็จเข้าบรณารณศาลาของพระองค์ก็ทรงบรรทมฝ่ายบุรุษอารักขาก็ประมาทว่าบัดนี้พระกุมารบรรทมแล้วก็จะไปไหนทหารยามก็เลยหลับกันหมด ข ก, กุมารทราบ ว, ว่าบุรุษอารักขาประมาทแล้วก็ถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปสู่ป่าไปอยู่เงียบเียบในป่าเจริญวิปัสนาธรมให้แจ้งปัจเจกภูติยานเสด็จไปสู่สถานที่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นนะพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ถามว่าพระองค์บรรลุได้อย่างไรก็เลยตรัสเป็นคาถาว่าการที่บุคคลผู้ยินดีด้วยการคลุกคลีในหมู่คณะจะบรรลุวิมุติ อันมีในสมัยคืออรหัตผลมิใช่ฐานะที่จะมีได้